السلام و ا ل ر ح ي م والحمد لله رب العالمين ولا عبادة للمتقين ولا عوانا ع ل ى الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أ ج م ع ه ن بإحسان إلى هم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت <تصفيق> ر ا و ب سمرود ا ن ك ر ن واي นักเคลื่อนไหวเกือบทุกประเภทไม่จําเป็นต้องนักเคลื่อนไหวที่ทํางานศาสนาหนะยกตัวอย่างคนที่เขาชอบเดินป่าถ้าเดินป่าแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นเนี่เขาจะไม่เดินใช่ไหมพวกนักเดินป่าเนี่ยมันต้องมีอะไรตื่นเต้นนะเจองูเจอจร ะ, ะเข้ ฝนตกหนักอเเออถึงจะมีเรื่องกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ถ้าไปในป่าแดดใสอากาศดีไม่เจอสัตว์ประหลาดสักตัวหนึ่งเจอแต่เจอจจจแต่มดอย่างเงี้ยคือจะเอาเรื่องมดอ๋อเดินป่าแล้วเห็นหมดยอะไรเงี้ยไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมนักเครื่อนไหวทุกประเภทก็เป็นแบบเนี้ยแม้กระทั่งคนที่เขาทำงาน ทำทำทำงานทั่วไปทำธุรกิจเป็นพวกฝ่ายการตลาด <c oughs> พวกที่จะต้องออกแบบทำงานที่มีที่มีการแสดงฝีมือเขาจะชอบงานที่มีอุปสรรคสังเกตนะเวลา ใครไปสัมภาษณ์ในบริษัทตำแหน่งที่เขาจะเป็นตำแหน่งลีดเดอร์ตำแหน่งผู้นำมานะ่ะเขาจะถามเลยว่าทั้งงานนี้มีอุปสรรคมีมีเรื่องยุ่งยากมีมีเรื่องมุดงิดเรื่องจะทำอะไรเขาต้องแสดงทักษะทักษะในการผ่าฟันในกา ร, าการาเผชิญหน้ากับอุปสรรคมันเป็นสัญชะ ต, ตรยานของ <c oughs> ของมนุษย์ ท, ทั่วไปแต่ในมิติของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเราทุกคนอยากได้อะไรที่มันสนุกแต่คนส่วนมากเนี่ยชอบสนุกโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยชอบเรื่องตืนต่นเต้นที่ไม่ต้องลงทุนชอบเชิญหน้ากับเรื่องที่เป็นประสบการณ์ใหม่แต่ต้องไม่ให้เขาเดือดร้อนอันนี้คนส่วนมาก แต่มีจำนวนน้อยนะครับที่หรือจำนวนหนึ่งอยากตื่นเต้นอยากสนุกถึงจะลงทุนยอมยอมอจะจะประสบการณ์ใหม่แต่จะต้องดร้อนหน่อยนะับได้คนเหล่านี้เขาจะมีมิติของคนที่ท้าทายท้าทายอุปสร ดั่งนี้ศาสนาได้เอามาประยุกต์ใช้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนศา ส, สนาเอามาประยุกต์ใช้สำหรับผู้ศรัทธาในกา ร, รเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่จะต้องเกิดขึ้นกับงานศาสนากับการทุ่มเทการเสียสละเพื่อ Allah s u b า a w t เพราะการที่ผู้ศรัทธาจะต้องทุ่มเทพเพราะมีเป้าหมายสำคัญในชีวิตเนี่ยคือความพอพระทยของอัลลอ์การเข้าส่วนสวรรค์รับการตอบแทนผ ล, ลบุญใหญ่หลวงจากอัลลอ์สุภานวาะตาลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คนทั่วๆัวไปเนี่ยเขาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่นับเป็นเป็นปัจจัยนะคนที่เดินป่าคนที่ทำงานแล้วก็อยาก ได้เรื่องท้าทายทำงานโลกอะ น, นะดุนยาเนี่ยได้เรื่องท้าทายส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องสวรรค์อยู่ในชีวิตของเขาแต่ในมุมกลับเนี่ยผู้ศรัทธาจะอยู่ในก็ะามถ้าทำงานโลกดุนยาจะเป็นนักศึกษาจะเป็นอาจารย์สอนคนอื่นจะเป็นจะเป็นคนที่มีวิชาชีพในก็ตามเขาสามารถที่จะ ปรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตของเขาเขาให้มีให้มีเป้าหมายเป็นสวรรค์เป้าหมายเป็นเป็นเรื่องที่อรรถสุภานุวตาละพอพระไทยได้และชีวิตของเขาจะสนุกตลอดเขาจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคเผชิญหน้ากับปัญหาไม่เผชิญหน้ากับปัญหานี่เขาจะสนุกตลอดยิ่งถ้าเขามีบุคลิก หรือสัญชตาตญาณของกลุ่มกลุ่มน้อยที่เขาชอบสิ่งท้าทายเนี่ยสำหรับผู้สถานิยิ่งสนุกั้งงานศาสนานี่มีอุปสรรคผู้สยาวเลยเรื่องที่พวกเราได้เดินทางมาเรียนคุรอามแล้วก็เจอฝนช่วงนี้หน้าฝนบางคนอาจจะงุดงิดบางคนอยู่บ้านตัดสินใจแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงฝนน่ ดดูรีรันดูรีรันก็อันนี้ก็เป็นก็เป็นริสกีของของแต่ละคนน่ะนะหารู้ไหมว่าคนที่ได้ได้ประเชิญกับอุปสรรคในการที่จะเรียนรู้แค่เดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนา น, นี่ก็ุนทางสวรรค์แล้วนะ มันส้่ยจะมีซูเฮริมันผู้ใดที่เดินทางหนุทางหนึ่งหุนทางใดแสวงหาความรู้ใดๆเอิลมันใดๆเสฮาลัลลอฮฺเลห์ทริขันอิลลัลจันนฺอัลลอฮฺจะอัมโวยหนนทางให้เขาสู่สวนสวรรค์แค่เดินทางไม่มีอุปสรรคนะไม่มีฝนนะไม่มีเอ่อไม่รถไม่ติดนะ ไม่เจอด่านไม่เจอทำไมด่านต้องเป็นลูกศรกลักสิ์บึกทีเรื่องไม่เป็นเรื่องด่านครับโทษชีเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มีด่านที่เขาเขาเขาอันนี้ก็เจอเจอคือเจอด่านนี่พี่น้องใสมวกเลยใสมวกเลย ส่วนมากตำรวจนี่ถ้าจะตัวฉี่นี่เจอวัวเขครับครับๆรเชิญครับครับคือเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกลุ่มเหล่านั้นนะอืมเขาเขาก็ยังให้เกียรตินะมุสลิมดูหน้าตามุสลิมหน้าตาคนที่ไม่ใช่ไม่ได้ไปในทางออทางที่จะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายเขาก็ดูออกนะ แต่อายะที่เราจะเรียนรู้ น, นี้มันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมได้นำเสนอข้างต้นนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยพวกเรามีนะเราทุกคนอยากจะสนุกอยากจะตื่นเต้นแต่ที่ผมได้พูดข้างต้นเนี่ยอยากให้พวกเราอย่าได้เสียเวลาอย่าได้เรลืองทรัพยากรชีวิตกับเรื่องตื่นเต้นที่ไร้สาระ เรื่องตื่นเต้นที่ขาดทุนเรื่องสนุกที่มันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่ากับอุปสรรคที่เราต้องไปชนะโดยเฉพาะงานศาสนางานศาสนาในการเสียสละถึงขั้นที่ผู้ศรัทธาจะต้องเสียสละทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์อย่างที่ได้บอกเพราะมันเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างผู้ศรัทธากับพระเจ้าพระเจ้า ซื้อไปแล้วชีวิตและทรัพย์ของเราโดยที่พระองค์จะตอบแทนให้พวกเราซึ่งส่วนสวรรค์ฉะนั้นเราต้องจดจาสัญญามั่นนี้กับพระเจ้าว่าเราพร้อมที่จะมอบค่าสวรรค์เนี่ยราคาของสวรรค์เนี่ยเมื่อไร่เจ้าของเรียกค่าสวรรค์เนี่ย เราต้องพร้อมที่จะจายถ้าเราศักดิจริงกับอัลลอฮ ب ح ا ن ه และในบรรดาผู้ที่เสียสละกับท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมชนเหล่านั้นก็คือกลุ่มชนที่เขามีความศักดิจริงกับอัลลอฮ์กับ رسول อัลลอฮฺ سبحانه ละ ع ا ل ى จึงทิ้งท้ายยันนี้หลังจากที่ได้พูดถึงคนที่เสียสละ ไปสูร้รบในสงครามตะบุหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ออกนะทำบาปใหญ่หลวงที่ไม่ได้ออกไปสูร้รบแต่ได้กลับเนื้อกลับตัวได้ปรับปรุงตัวเองปรับทัศนคติของตัวเองอัลลอฮก็เลยบอกว่าให้ให้อยู่กับหมู่คณะเหล่านี้คนที่มีความสัตด์จริงคนที่พูดจริงอัลลออัลลอฮได สิ่งทายตรงนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์อย่างที่บอกก็เป็นวิธีชีวิตที่ผู้ศรัทธาควรเอามาเอามาจัดตั้งเป็นสโลแกนเป็นเป็นคําสั่งเสียสั่งเสียตัวเองสั่งเสีย ล, ลูกหลานสั่งเสียเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทให้เราเราต้องอยู่กับคนสัตจริงนะเวลาเห็น ลูกหลานเพื่อนผู้นีเขาไปยุ่งกับคนไม่ดีบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับคนไม่ดีเราต้องอยู่อยู่กับซอดีกีนอยู่กับคนที่มีความสัก์จริงมีความสักจก็มันก็ยังเป็นภารกิจด้วยนะในการที่จะค้นหามาตรฐานของความสักจ็บักด์จริง แล้วพอได้พบแล้วนี่ความสัตจริงมันคืออะไรนี่ก็ไปค้นหาไอ้ความสัิจากความจริมันอยู่ตรงไหนในตัวคนที่เราได้พบเจอในชีวิตในสงังครอะครอะครอะที่สจริงนอะแต่เราได้เจอเจ อ, เจอตัวจริงแล้วนี่นั่นนั่นะควรที่จะเอาพวกนี้เนี่ยเป็นเพื่อนฝูงเป็นพวกมิตรสหายเป็นพักพวกแต่มาตรฐานปัจจุบันนี่มันวไม่ใช่ไง เราหาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่มีทรัพย์มีสตังมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีสนิทสนมกับพวกนี้มันได้ประโยชน์มากกว่าหลังจากอายานี้อัลลอฮสุบฮานาว์ตาแล้วก็เริ่มที่จะแจกแจงคนที่ออกไปสู้รบกับท่านนาบี และยอมเสียสละทุกอย่างเลย ส, สับสนเวลาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้อะไรในขณะที่ Allah ได้แจกแจงสิ่งที่พวกเขาได้เสียสละเนี่ยเราจะพบเห็นความตื่นเต้นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ในการเสียสละของบรรดาสหายที่เขาได้ออกไปสุรบกับท่านนบีสุลลัลลอฮฺวาลัยยุสัลลัมไอ้ะันนี้ยาวมากและเป็นอายะที่มีความเรียกได้ว่ามีความประหลาดเพรอเลาะได้ลงลงรายละเอียดยุะเกี่ยวกับชนิดการเสียสละของสหาบยกับท่านนบีสุลลัลลอฮฺวาลัยยุสัลลัมสองอายะอย่างต่อเนื่องแต่ละอายะนี้ก็ยาวขอสมควและก็มีรายละเอียดเยอะ และสำนวนแต่ละอายะเนี่ยถือว่าเป็นสำนวนในด้านภาษาอ раб นี่ถือว่าเป็นสำนวนสูงพอเข้ามาแปลเป็นภาษาไทยนี่เกิดความคัดเคลื่อนด้วยดูจ้อธิบายให้เพราะมันเป็นเป็นคำศัพท์ที่มีที่มีความสวยงามมากในในด้านในด้านภาษานะครั บ, บ ใครละเลยเก้าอายะสนิฐานว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะจบสนิฐานนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยกลังสอนตัฟซีรที่บังกกน้อยแล้วในขณะที่บรรยายแล้วก็สอนตัฟซีรเนี่ยข่าวมาวปฏิวัตินะครับนี่ก็รล่งสอนอนี้ใครจำได้ มีใครจะทันมามบางงัดน่น่ะมีใครบงหมัดน่าอยู่นี่อันนี้รุนเกษียนะ่ะรุปฏิวัติน้นนะของบิ๊กบังนะมูน่ะเออยี่สิบปีแล้วพอของเรานี่อัอตราปฏิวัตนินี่ทุกสิบปีใกล้ละนี่ใกล้ละอีกสองปีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอินชาอัลล์สุรุตตุอบานิก็อดิตนานะครับอินชาอัลลอ์ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة ص في سبيل الله ولا يطون موطئا يغض الكفرة ا ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ไม่บังควรแก่ชาวมมดีนาไม่พึงไม่บังควรแก่ชาวเมดินาะนั่ حوله من العرب และชาวอาหับเร่ร่อนชาวอาหรับที่เขาเกว่าชาวอาหรับที่เขาไม่ได้พมล อยู่ในเมืองเป็นอาหรับเร่ร่อนอาหรับเบาเดวีอาหรับชนบทอาหรับชนบทนี่เขาเขากางเต้นพอฝนหมดแห้งแล้งก็เก็บเต้นแล้วก็ไปหาตำบลอื่นที่อื่นที่มีฝนทั้งเรียกว่าเร่ร่อนอารอบนี่ก็คือเนี่ยอาหรับเร่ร่อนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมันจะไม่มีเมืองเฉพาะหรือสําหรับผมคือไม่ไม่อา้าวเผานี้เป็นพวกอารอบนะ แล้วเขาอยู่เมืองไหนอ่ะเขาไม่มีเมืองเฉพาะเขามีฝนที่ไหนมีตาน้าขึ้นที่ไหนก็จะไปพอแห้งแล้วหมดแล้วเนี่มาช่วงช่วงฤดูร้อนอย่างงมันจะแห้งก็ไปที่อื่นซะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยหลังปีที่เจ็ดเนี่ยเริ่มแหละพวกบาดวีพวกชาวนี่เริ่มรับอิสาะเพราะตอนแรกตอก่อนนู้นน่ยพวกนี้คือพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มี อำนาจบารมีถาวรมั่นคงเขาจะตามอารับที่อยู่ในหัวเมืองอารับที่อยู่ในหัวเมืองนี่คืออารับที่เขามีอำนาจ ม, า ม, ม, มีความมั่งคงั่งมีความมั่นคงมาดีนะมากระต่ออฟีฟอะไรพวกนี้อารบเ ร, ร่อนเนี่ยก็จะตามพวกนี้แต่ท่านนาบีก็จะต้องระเชิญหน้ากับอารับชาวเมืองมากกว่า พอได้จัดการแล้วนี่ปีที่เจ็ดปีที่แปดมิชิัมาการแล้วนี่พวกอาหรับเรร่อนนี่เริ่มเลือกข้างแล้วแต่ก่อนนู้นอ่ะเขาก็อยากจะมารับอิสลามกับท่านนาบีแต่เนื่องจากว่าเขายังไม่มีเหตุผลด้านวัตถุเรื่องความศรัทธานี่แน่นอนวิถีชีวิตของนบีและสหายนี่ประเสริฐกว่าวิถีชีวิตของอาหรับญาฮิเลียแน่นอนแต่ เขายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติของตัวเองเขาแค่อยากรู้ว่าเออแล้วฉันจะสบายไหมถ้าฉันไปศรัทธากับมุฮัมมัดเนี่ยฉันจะหรือฉันจะลำบากจะเดือดร้อนโดยพว่กุเรชจะเล่นงานฉันไหมอะไรเงี้ยแต่พออำนาจเก่าอำนาจเดิมเนี่ยมันเริ่มสลายมากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มมาละอันนี้พอเริ่มมาแล้วเนี่ย มันก็เกิดอาการของคนที่เขายังไม่เลื่อมใสในตัว ท, ท่านนบีสุลแลลสําหรับชนบทอารอบเร่ร่อนส่วนมากนี่นะก็คือยังไม่จริงใจในการสนับสนุนท่านนบีสาหรับชาวเมืองนี่ก็จะมีบางกลุ่มที่เรียกว่ามุนาฟิกีนเนี่ยทียังยังแฝงอําพรางความไม่จริงใจครับท่านนบีสุลแลลละอันนั่นก็ สั่งสอนนู่นตลอดสุรตะวันนี่เรื่องพวกมุนาฟิกเนี่ยทั้งมุนาฟิกที่อยู่ในเมืองและก็มุนาฟิกที่เป็นพวกชนบทพวกอารอบอันนี้มามาทิ้งท้ายในท้ายสุรตะวันเนี่ยคำสั่งเสียหรือคำเด็ดขาดมา่ก่ละเหลี่ยลลิลมดีนั่นนี่อันนี้เขาแปลเขาแปลตามสำนวนที่ สวยงามในภาษาไทยนี่ไม่บังควรแก่ชาวมาดีนะและชาวอาหรับชนบทที่พักอยู่รอบๆรอบๆมาดีนะั่นเนี่ยไอยจะขลับว่ารัสูละที่จะผิดหลังที่จะอยู่ด้านหลังท่านนาบีคือไม่สนับสนุนยอมอยู่ที่บ้านตัวเองที่อำนักของตัวเองและก็ไม่ออกไปสู้รบกับท่านนาบีสุลต่าน การที่ไม่ออกไปสู้รบกับท่านนบีขณะที่นบีเรียกเรียกมาแล้วเนี่ยขณะที่นบีเนี่ยประกาศสงครามประกาศ jihad แล้วนี่นะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่บังควรคือไม่บังควรดี่า ย, ยาเลยแล้วเธอไม่ออกอะก็ ก, ก็ไม่ดีนะยาเลยแต่แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เป็นข้อบังคับละ ถ้าแบบนี้ก็จะใช้คําว่าบางควรมันจะบัญทอนความย่าแย่ของบาปเนี้ยบาปที่ทิ้งท่านนาบีไม่สนับสนุนท่านนาบีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องมักกรุเสงเงินไอ้เรื่องพอทําได้ถึงแม้ว่ามันน่าเกลียดน่าเกลียดแต่ยังพอทําได้บางควรจึงไม่เป็นคําที่เหมาะกับการกระทําแบบนี้ ก็อย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้มาเกนในอห์อิหม่าดีนเนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สําหรับชาวมดีน่าที่จะทําแบบนี้ไม่อนุญาตสําหรับผู้ศรัทธาที่อุหม่าดีน่าหรือที่เป็นผู้ศรัทธาอาหรับชนบทเรร่อนเนี่ยที่จะทําแบบนี้ทําแบบไหนอะไอเอตขลลัวอัลรอสูลละที่จะผินหลังนบีเรียกหันหลังให้ท่านนบี นบีเรียกออกไปจิฮาดฉันอยู่กระที่นี้ฉันไม่ไปไหนตายะหนี่ถูกประทากลงมาหลังสงครามตะบุพูดถึงเหตุการณ์ที่มีบางกลุ่มที่ไม่ได้ออกไปสูรบกับท่านนบีศ็ลลลลอฮอะลัยฮิัลลมแต่สำนวนนี प, ้สำนวนนี้ถ้าเราจดจําไว้นะมันจะใช้ได้กับทุกกรณี ในชีวิตของผู้ศรัทธาในทุกยุคทุกสมัยทุกคำสั่งที่นบีสั่งไว้ทุกคำเรียกร้องเชิญชวนที่นบีมีไว้ในสุนนะของท่านนบีซอลลัลลอฮุวาลลอฮิเยะสุลลเราก็เอาอันเนี้ยมาประกอบเป็นสมการอ่านบีนบีสั่งให้ทำแบบนี้ไม่บังควรเลยไม่อนุญาตเลยเป็นเป็นไม่ได้สำหรับ ผู้ศรัทธาที่จะผินหลังให้คำสั่งของท่านเดวีซโลลัสมันไม่ใช่เฉพาะคำสั่งให้ออกไปสู้รบนะถึงแม้ว่าอายานี้ถูก ป, ประทานลงมาเกี่ยวกับการเรียกไปสู้รบเรียกไปทำ j ิ h a d แล้วอลมาฮส่วนมากก็บอกว่านี่ก็เป็นเป็นอำนาจของผู้นำผู้นาผู้นาที่สมบูรณ์นะ ผู้นำที่มีอำนาจสามารถประกาศ jihad ได้นะผู้นำสูงสุดเช่นค a l i p า a h หรือผู้นำผู้ศรัทธาที่มีความชอบที่มีอำนาจเรียก jihad อันนี้อำนาจสมบูรณ์ในนั้นอย่างที่เขาพูดกันในปัจจุบันว่าออไม่เชื่อเรื่องเรื่องเข้าเข้าเดือนออกเดือนนี่ทำไมไม่เชื่อฟังผู้นำ คือประเด็นว่าเข้าเดือนออกเดือนนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่ อ, อฟังผู้นําแต่การที่ต้องเข้าใจว่าเชื่อฟังผู้นําเนี่ยไม่ใช่ผู้นําแบบที่บ้านเรามีอย่างผู้นำที่ที่บ้านเรามีนี่ก็คือผู้นําที่สามารถชี้ขาดในบางเรื่องและต้องเชื่อฟังอันนี้ใช่แต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องอย่างผู้นําไม่สามารถประกาศจิฮัดได้ น้องผู้นําจะประกัด j i h a ดไปสู้รบที่กาซาใครจะฟังมหมใครจะบอกเฮ้ยเ <c oughs> hey, ชื่อฟังผู้นําต้องเชื่อฟังต้องต้ ง, ตงไปนะมีมีใครจะสนใจมหมทันทีเลยนะไปช่วยพี่น้องชาวกาซาทันทีเลยอ๋อ oh, ท่านไม่ใชผู้นําแบบนั้นท่านผู้ น, นํานี่แค่ประกาศวันสําคัญอย่างเดียวตามกฎหมายไอ้คนดีเมื่อวันซืา น, นี่บอกเฮ้ย hey, เชื่อฟังผู้นำมาช่วยผู้นำ แต่พอผู้นำนี่จะขอแสดงอํานาจของผู้นําหน่อยนะไม่เอาก็แสดงว่ารู้กันแก่ใจว่าผู้นํานี่ในสังในหลักการศาสนานี้มีหลายระดับมูละมาโคได้บอกว่าอามีรนี่อามีร์ผู้นํามันอามีร์นี่มีหลายลาระดับหลายประเภทอามีรอัลลามผู้นําทั่วไปนี้ผู้นําสูงสุด ผู้นำสังการในสังคมเนี่ยมีอำนาจอำนาจล้นฟ้าสั่งทุกคนในสังคมได้มีเอมีรุลคอ ص ะแล้วมีเอมีร์เฉพาะมีเอมีร์เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่มเฉพาะองค์กรเฉพาะเรื่องได้เนี่ยเราสมมุติว่าเราอ๋อเดี๋ยววันปริจักษนี้เราจะจัดเลี่ยงและสินอดมารวมตัวกัน จัดคนจัดซื as approved, Olha, f, ้อของคนทํากับข้าวคนจัดสถานที่อันนี้จะเป็นกิจกรรมก็ต้องมีผู้นํามีอามีรอันนี้อามีร์ต้องต้องเชื่อฟังเฉพาะกิจคือเชื่อฟังเฉพาะเรื่องเรื่องราสินอดไม่เฮ้ยเดีวไปโน่นไปไปช่วยกวาดถนนอ๋ออมันมันคนละกิจคนละคนละเรื่องกันเยอะๆอามีรเฉพาะเรื่องก็ต้องเฉพาะเรื่องนี้ อุลามาก็ได้บอกว่านี่สําหรับท่านนบีและคนที่มีอมํอานาจผู้นําเหมือมนท่านนบีที่เป็นผู้นําสูงสุด น, นี่นะก็จะมีอมํานาจแบบนี้เรียกเรียกร้องสูก่การหรือประกาศ j ิ h า d เนี่ยทุกคนต้องเชื่อฟังแต่กว่าจะมีอเมียรแบบนั้นผู้นําสูงสุดแบบนั้นที่จะรับเบี้ยาที่จะต้องมีการให้สัตยาบันจากคนทัท่วๆไปในสังคมนี่โอ้อันนี้กระบวนการมันเียว แต่ที่สําคัญที่ต้องเข้าใจว่าอามีรผู้นําที่มีอํานาจแบบนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีอํานาจอย่างเดียวเขามีแล้วมีหน้าที่มีหน้าที่ในอามีรผู้นําที่ไม่ได้ทําหน้าที่เขาก็จะหมดความชอบในการที่จะรับการเชื่อฟังเช่นเดียวกันอีท่านอับดุลสลลละละสัลลัมทำหน้าที่ทําหน้าที่ทําสอนบกป้อง อำนวยความสะดวกกับบช่วยเหลือคนขัดสนคนยากจนในสังคมในสังคมจัดสรรทรัพยากรในสังคมตัดสินขอ้อพิพาทการทะเลาะเบาะแวง้งทั้งหมดเนยมันเป็นหน้าที่ของผู้นำมีไหมผู้นำแบบนี้ปัจจุบันน่ะมีไหมมีมีลิฟะ ขโมยขลิฟาในว่ตัวแทนตัวแทนใครอ่ะตัวแทนนบีและนี่คือทัศนะที่ถูกต้องที่อลมาอธิบายมคลฟลฟตัวแทนองนบีเพราะมีทัศนะที่บอกว่าขลฟ้าเนี่ยตัวแทนอง์ Allah อันนี้เยอะอ่าอันนี้ะแล้วเาอ้างฮะดีษมดูะดษเคนะ บางสํานวนส ل س ل านผู้นำเนี่ย ظل الله في الأرض เป็นเงาของ a ลล a h บนผืนแผ่นดินอนะัดีส้มองดูแต่ก็มีมีผู้รู้มีปราทที่มอ้างเพิ่มความชอบในการเชื่อฟังผู้นําแบบดิดขาดเชื่อฟังแบบบอดๆเลยซึ่ง ปราชพวกนี้ก็มักจะเกิดในยุคที่ผู้นำเผด็จการต้องการให้ผู้รู้เนี่ยผลิตทฤษฎีทางศาสนาเนี่ยให้คนเชื่อฟังผู้นำและก็ให้การเชื่อฟังผู้นำนั้นนะ่ะมีความชอบทางศาสนาแบบนี้เนี่ยคุมง่ายคุมง่ายก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยวางประเทศ ไม่ต้องบปเทศใยประเทศซาอุดีนี่แหละเราจะไปจะไปเกรงใจอะไรฮัดก็ไม่ได้ไปทำสักดีนี่ประเทศซาอุดีนี่ผู้รู้ผู้รู้ศาสนาทุกคนเนี่ยต้องเผยแพร่ความคิดว่าผู้นำเนี่ยลียูลอเมรีผู้นำเนี่ยต้องเชื่อฟังในทุกกรณี ในทุกกรณีอาจจะนกรณีที่ผู้นำทำความช่วสั่งคนอื่นให้ทำความชั่วแต่ยังไม่ได้สั่งเรานะก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาเขารับผิดชอบเองถึงขนาดนี้ผู้นำทำความช่วย่ังเปิดเผยบังคับชาวบ้านให้ทำความชั่วย่ังเปิดเผยถ้าเขายังเป็นมุสลิมก็ห้ามห้ามตำหนิเขาแม้แต่น้อย แม้แต่ในขุดบ้านเนี่ยขุดบ้านวันศุกเนี่ยห้ามขึ้นบอกว่าเฮ้ยที่เขากำลังทานี่ไม่ได้น่อย่าไปเชื่อฟังกันนะแค่นี้ทําไม่ได้อแล้วก็ผูรู้ที่ไม่ยอมพูดแบบนี้ล่ะเอเขาก็มีมีโรงแรมให้ไปอยู่นะมีเขาจัดที่ให้ถ้าไม่สะดวกพูดนั่นก็ ก, ก, ก็เชิญทางนั้นี้เชิญทางนี้ก็จะสังเกตว่าผู้รู้นี่ที่มีมิมบัดมีช่อง ทีวีให้พูดมีบรรยายอย่างเปิดเผยอ่านะทุกคนจะต้องพูดเรื่งนีอย่างน้อยเนี่ยขึ้นคุณบ้าวันศุกร์ขึ้นคุณบ้าอีนี่จะต้องขออาให้พูดต้องขอดอาให้พูดนะเออชื่อด้วยนะไม่เออชื่อนี่ถือว่ากระบฏและถือว่าหวังหวังไม่หวังดีต่อผู้นะต้องเออชื่อซึ่งการบังคับให แค่บังคับให้ขอด้วยให้ผู้นำเนี่ยชาวซาลักนี่เขาถือว่าเป็นบิดาแล้วบิดาแล้วทําไมเอ่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีสุนทรได้ว่าบังคับว่าในขุดบ้านนี่ต้องขอด้วยให้ผู้นำยิ่งผู้นำที่ทําความชั่วอย่างเปิดเผยผู้นำจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผู้นำจับผู้รู้นี่เข้าคุกอย่างเงี้ยไมีขอด้วยให้เขาทําไมเป็นสิ่งที่ผู้รู้ใน ยุกทุกสมัยนี้ตรงตองประนเชินน้นสังคมมุสลิมมีสองอำนาจเท่านั้นที่สถิตอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาสองอำนาจเท่านั้นอำนาจของผู้รู้และอำนาจของทางการอำนาจของคนที่มีมีบารมีและที่อัลลอ์ได้บอกก็ ที่เขามักจะพูดว่าจงเชื่อฟังผู้นำพ่อเราบอกว่าวัลตีออลลออวลตีออลรสูลว่าอูลิอัมริมิงกุมให้เชื่อฟังผู้นำเนี่ยผู้นำตรงนี้เนี่ยผู้อธิบายอัลกุรอานเนี่ยได้บอกว่าผู้นำนี่สองประเภทหนึ่งผู้นำก็คือผู้มีอำนาจสองผู้รู้ทัศนะของสัตเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ผู้นำตรงนี้นี่คือผู้รู้จงเชื่อฟังหน่องเชื่อฟังผู้รู้ทําไมอ่ะเพราะในยุคสลักเนี่ยผู้นําต้องเป็นผู้รู้ขลิฟะทั้งสีท่านเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นหัวกะทิของผู้รู้อิสติฮัดของขลิฟะทั้งสีเนี่ยบางมัสยิดถือว่าเป็นศาสนาบัญญัติการวินิจฉัยของบรรดาขลิฟะนี่เขาจะถือว่าเป็นศาสนาบัญญัติตัวเอามาบังคับใช้ เพราะอะไรปุบรมีจุนชามันชนขลิน si ีนบีเนี่ยบอกว่าอืม فعل أيكم بسنة ที่จงึดมันเนยศุนยาของฉันวา سنة الخلفاء แสดงว่าขลิบานีรชดีนลินีทั้งส่ของทานบีเนี่ยนบีบอกว่ายึดมันในนัถ้าเขาเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเขาตัดสินยังไงเขาบริหารยังไงนโยบายของเขาเป็นยังไง ถ้ามันไม่เข้าทานี่น บ, บีจะมา ส, สั่งการประชาชาติอิสลามให้ยึดมั่นได้เหรอหรือเขาต้องเป็นคนวิเศษดิต้องเป็นคนเฉพาะอะคนมีมีความสามารถวิเศษนี่ผู้นําคือพวกพวกนี้บีผู้นําไปเรียนเมืงมองนอกความรู้ศาสนาก็ไม่มีละหมาดยังไม่เป็นเลยละหมาดยังไม่เป็นเลยเคยมีผู้นำที่ชอบนาํนน า, มมาทุกแต่นำละหมาดอ่ะเขาเป็นผู้นําก็ต้องนํำละหมาด อัลลอฮฺอักบรไม่ได้สังเกตอะไรใช่ไหมวางมือซ้ายบนมือขวาเขาอยากจะเป็นอิหม่ามเหลือเกินแตพระอัลลอฮฺว่อ้าวแสดงว่ญญามึงไม่เคยละหมาดเน่เลมึงมาละหมาดต่อห น, น้าชาวบ้านอย่างเดียวนั่นผู้นำแบบนี้ผู้นำอย่างที่ตูนิเซียนี่ออกมาที่ปรึกษาเขาบอกว่าท่าน เดือนบวชเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยมุสลิมเขาจะชอบหยุดพราะเขามีวันหยุดมันก็ชอบหยุดออกมาพูดกับประชาชนเลยบอกว่าผมเสนอให้เปลี่ยนเดือนรอมฎอนนี่ไปอยู่ในช่วงหน้าหนาวนุ่นพวกเราจะได้อยู่เลิกขอหยุดในเดือนบวชพุณนั้นแบบนี้เชคตาฮ์รบินอาชู ผู้นำาองประเทของอดีประเทศบริทูนิเซียฮัลฮาบีบูร์กีมาเขาตอนนั้นเขาออกพูดตามวิทยุอะนะวิทยุของของรัฐบาลเชิญชวนให้พี่น้องเลิกถือสินอดถ้าเดินละมอนอนมาชนกับหน้าร้อนหน้าร้อนนี่เห็นไปถือเชิญชวนให้ไปถือบวชกันหน้าหนาวสบายๆอีกวันนึงเป็นวันสุก ทีตุนิซียนีมีเมืองอยู่ทางดังใต้เนี่ยชื่ออัจเรตูนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่ชื่อมหาวิทยาลัยอัตูนะเก่าแก่ที่สุดในโลกถูกก่อตั้งเมื่อปีสรอยฮิจรสกราเก่ากว่าครววิที่มรุกเก่ากับอัจฮทีเก่าแก่ที่สุดอิหมมเจมอัาฮ์รบินอาชูรน่เป็นอุลามมชเสียขึ้นมีบบอก ผู้นําสั่งทําสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้เชื่อฟังและการที่จะเปลี่ยนเดือนรอมฎอนจากฤดูร้อนเนี่ยไปฤดูหนาวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บิดเบือนศาสนาทําให้ตกศาสนาอูดบุนมิมพ์แต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงแต่ตอนนั้นต้อยเป็นอาชูร์นี่มีชื่อเสียงโลกมูซิมทั้งหมดฮาบบิบลเคาไม่กล้าทําอะไรเขาเท่ากับกล่าวหาผู้นํา ผู้นำนี่ว่ามันจะมุสลิม่ซึ่งตร์บินอูชูรซึ่งเป็นอุลามะในตุนิสเซียนี่ไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อฮาบิบุลเคว่าเขาตกศาสนาแต่เช็บินบาสีซาอุดีนี่พอรู้นเรื่องนั้นท่นออกฟะตัวอะไรวะฮับิบุลเคบนีเรื่องนี้เนี่ยตกศาสนาแน่นอนยุคนั้นน่ะยุคที่อุลามะเนี่ยประเทศซาอุดีเนี่ยวิจารผู้นำไม่ใช่เฉพาะผู้นำ ในประเทซาอุดีอย่างเดี่ยเขาวิจารณ์ผู้นำทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยอัลลอ์มาที่ซาอุดีเนี่ยจะวิจารณ์นักร้องหรือนักเตะบอลยังไม่ได้เลยเรือจริงนักร้องนักสแสดงจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้ผู้นำแบบแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นำแบบนี้ที่จะเชื่อฟังผู้นำที่เขาปฏิบัติตามท่านนบี ที่เขาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำที่รู้บัญชาของลอสุภาโนวาจาอะไรและก็แนวทางของท่านนบิสซอลลอสซัลลัมที่ต้องปฏิบัติยังไงในในสังคมมุสลิมอย่างนี้เนี่ยผู้นำที่น่าเชื่อฟังแล้วเราก็เอาเนื้อหาของการเชื่อฟังผู้นำแบบเนี้ยจากไอเนี่ไม่ไม่อนุญาตสำหรับผู้ศรัทธา ที่จะพิลหลังให้ท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมพิลลังพิล ล, ล, ลังให้ท่านนบีก็ไม่พิลลังให้ผู้นําผู้นําที่ทําเหมือนท่านนบาีสุลตัน ก, ก, ก, ก็ไม่ถูกต้องเราร่วมทํากิจกรรมกันและกิจกรรมนี่มีความชอบอยู่แล้วแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นผู้นําแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าใจเป็นกิจกรรมเล็กน้อยแค่เดินทางอย่างเงี้เดินทางไปไหนก็ได้เนี่ยเดินทางแล้วก็สามคนขึ้นไปเนี่ย นบีสัง่งแล้ะต้องมีอามีรอิ ذا กุนตุมซาลาตันฟอัมมิรูถ้าพวกเจ้านี่เป็นกลุ่มเพียงสามคนแล้วนี่นะฟอัมมิรูจงแต่งตั้งอามีรอามีรมีทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เรื่องเดินทางอาอมีร์นี่ก็ต้องปรึกษาต้องมีชูรอด้วยนะปรึกษาเราจะไปเราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเขาสามคนเไงคนหนึ่งบอกว่าขวาครับคนนึงบอกว่าซ้ายครับ อามีจะตัดสินว่าคว้าได้ไหมอามีจะฟันทงนี่อามีเรื่องเดินทางอมีเรื่องเดินทางแต่สมมติว่าไอ้นี่มีกระดายเนี่นะไปไปจับกระดายไหมเธอไม่จับกระดายนี่ถือว่าฝ่าฝืนพูน่นะบาปนะมึงบาปนะไม่ใช่นี่เราเฉพาะเรื่องเดินทางไม่ใช่เรื่องทํากับข้าวด้วยไม่ใช่เรื่องหาอะไรมากินด้วยไม่ใช่ขนาดนั้นเฉพาะกิจ แต่ด่าก็ในเรื่องที h, oh, no, yup. ่เราได้แต่งตั <|so|> ้งอะอามีบบอกว่าเลี้ยวขวาอีกคนนึงนี่บอกว่าเลี้ยวซ้ายเอ้ยไม่ไปกันไปไปขวาดูฉัไปซ้ายอันี่ยเราสามารถยกอายะนี้ได้เลยที่จะผินหลังให้อามีบนะกิจกรรมที่เรามีความชอบแล้วก็เราแต่งตั้งให้เขาดูแลเราอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งตั้งถึงขนาดจะต้องมีพิธีแล้วก็ต้องมาใบฮามาอะไรกันขนาดไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยเรานั่งกันอย่างเนี้ย กิจกรรมนี้เรียนดับซีรโดยปริยายเนี่ยมอบหมายให้ผมสอนตับซีรใช่ไหมหรือมีหรือมีใครคิดว่าเฮ้ยเช็ไม่ไม่ควรสอนตับซีรแล้วก็นั่งทำไมอะมันก็เป็นโดยปริยายเนี่ยต้องเข้าใจใช่ไหมเราต้องเราเออเชคสุรตะบ้านนี้ผมไม่ชอบเอาสุระอื่นได้ไหม มานะีมานั่งใหเชิญมาเชิญมาเชิญม า, ม า, ม, า, ม, ามานั่งสอนแบบนีเ้เราร่วมกันในกิจกรรมแล้วก็ยินยอมแล้วว่าคนหนึ่งเป็นผูนะ้นำก็ต้องก็ต้องยอมนะนี่นี่ผมยกเคยกตัวอย่างง่ายไงทํามาดูสิวา่าเราร่เรารวมกันทำงานอย่างเงี้ยทำงานเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ตามสมมติว่างานจะไปช่วยน้ำท่วม ไปหมู่บ้านนู้นไปหมู่บ้านนี้เรามีอาเมียะอามียก็ต้องปรึกษาอยู่แล้วหาข้อมูลมาคุยกันมาปรึกษากันใครมีเหตุผลมากกว่าอาเมียดก็พิจารณาแล้วก็ฟันธงถ้าหากว่าเสียงส่วนมากเนี่ยค้านการเมียเนี่ยอามียดต้องยอมรับส่วนมากนะอาเมียนี่ไม่ใช่ประเด็จการนะอาเมียนี่ต้องยอมรับในเสียงส่วนมากนะบางคนเข้าใจไม่ใช่บางคนคนเยอะในสังคมบ้านเรา เข้าใจว่ายอมเสียงส่วนมากนี่มันคือประชาธิปไตยและเราเป็นมุสลิมไม่เอาประชาธิปไตยอันนี้ตะ ก, กะวิบัติเอาดีเข้าตัวเองแล้วก็ไอเรื่องเลวเนี่ยก็ใส่คนอื่นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายร้อยเปอร์เซ็นไม่ ถ้าไม่เอาชื่อคําว่าประชาธิปไตยนี่ก็ตัดไปเลยนเนอาชูรอชูรอมีไม่เสียงส่วนมากในมีไหมมีในหลังการศาสนานี่มีน บ, บีในสงครามอโมดเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะออกไปรบนอกเมืองมา ด, ดีนะไม่เห็นด้วยและน บ, บียังฝันด้วยมีรุยาว่าเห็นว่าวัว น, นี่ถูกเชือดและน บ, บีทานายว่าเป็นดางไม่ดีถ้าออกไปนอกมา ด, ดีนะว่าอาจจะพ่ายแพ้ และน บ, บีบอกกษัตริย์ไปแล้วด้วยว่าเนี่ยผ ม, มเห็นด้วยนะออกไปข้างนอกแล้วก็ได้รู้อย่างงี้แต่มีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากที่ไม่ไดีออกไปสู้รบในสงครามบัตรเพราะน บ, บีปรึกษาส่วนมากนี่เขาบอกว่าเราอยากจะอยากจะประชินหน้ากับศัตรูนี่อยากจะน บ, บีเห็นส่วนมากของซาตานซาส่วนมากก็เป็นเยาวชนไฟแรงถ้าเสียงส่วนมาก ไปก็ต้องไปนบีก็ใส่ชุดสงฆามังว่าชวนวยรุ่นที่เขายกมือบอกก็ไปนะเฮ้ยเราไปเราไปบังคับนบีเราหรือเปล่าเราไนบีครับไม่ไปก็ได้นบีครับไม่ต้องออกก็ได้ในมนดี น, นั้นมีมุนาวิกกามนีนบีก็บอกว่าแม่ทับถ้าใส่ชุดสงฆ์เขาถทดไม่ได้ ใส่แล้วถอดใส่แล้วถอดอย่างเงี้ยแล้วก็มีมุนาวิกไปบอกสตุ๊เอ๊ยนี่อะไรนี่เล่นอะไรกันหรือเปล่าใช้ได้อะเนี่ยแม่ทําแบบเนี้นายมีบอกว่าแม่ทํานี่ยใส่ชุดสงฆ์ขาดถอดไม่ได้แล้วแล้วก็คนที่โหวตแล้วเนี่ยเป็นสมาชิกครูรอนี่โหวตแล้วนี่นะตรงรับตรงเป็นลูกชายไม่ใช่ลังเลเดี๋ยวก็เอานวก็ไม่เอานะก็ทำไมนับไหมอันเนี้ยอันนี้ในความลึกเธอของไม่ชาทิ่พอใจ แต่การนับเสียงเสียงส่วนมากในอิสลามมีจะเรียกว่าปภาษาที่ไม่ก็เรียกไปแต่มันมีไงแต่จะเอาเลวนี่มาสอ้นี่ไอ้เลือกตั้งอิหมั่นแบบเสียงส่วนมากนี่มันปภาษาที่บัตไต่เนาะมันประชาษาที่บัตไต่แล้วเจะเลือกยังไงอ่ะก็มาประชุมกันใหคนแล้วก็เลือกอิหมั่นมาจมแล้วก็เรียกว่านี่ชูรอไม่ใช่นะนี่บิดเบือนแน่นอนบ้านเรานี่มีมีแบบนี้มีเฮ้ยไม่ไม่เลือกแบบเอาสบุรุตไหม เลือกอิหมานี่ไม่ไม่ได้นี่ประชาธิปไตยแล้วจะให้ใครเลือกอ่ะก็นี่เงผู้ใหญ่สักสิบคนนี่มาเลือกกันก็พอแล้วสิบคนนี่ก็คือใครก็พวกอิหมานี่แหละผู้รู้คนที่มีอำนาจบารมีคนที่มีบุญคุณในสังคมนี่เขาก็ไม่ปรึกษาเพราะเขารู้ว่าจะมีฝ่คานเนี่ยและจะได้เพิ่มความชอบกับพฤติกรรมเขาเนี่ยนี่เงชัวรอชัรอปรึกษาหารกัน ไมมีใช่บิดเบือนศาสนายอย่างแน่นอนจะมวยดีนะร่วมกิจกรรมกันนะ่ะปรึกษาหารือกันเนี่ยชูรอปรึกษาหมาถึงว่าทุกคนเนี่ยสแสดงความคิดเห็นทุกคนแล้วนามีเปิดทั้งหมดนี้นะเปิดสิทธิ์ให้ทุกค น, นมีสิทธิ์ในการสแสดงความคิดเห็นแต่ทุกคนต้องมีอามานะไง เฮ้ยอ nah so so so so ิสลามไหนทุกคนสดงแต่คนนี้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ผมขอแสดงความเห็นนะอันนี้ไม่รับผิดชอบอันนี้แต่ตัวเองจะแสดงความเห็นได้มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไหมไม่มีอาตมอยากจะพูดอ่ะอันเนี้ยไม่มีความรับผิดชอบนั่งอยู่กับคนอื่นมีคนก็อุสมีความรับผิดชอบแล้วเรารู้ว่าตัวเองอะไรมีประสบการณ์ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยแต่ถ้ามีส่วนอะอย่างอื่นอะที่เรามีความรู้นี่พูดเลยเต็มที่เลยนบี สมครามบัตเตอมเอากองทัพเนี่ไปพักห่างจากแหล่นนะงน้ําัสั่งสอนว่านี่พักตรงนี้เราจะพักตรงนี้สหามาคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่สหาบะทีมีชื่อเสียงเมียกระแดแต่จำไม่ผิดท น, นบีครับที่ท่านนาบีสั่งให้เราได้พักตรงเนี้เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์หรือเป็นความเห็นของท่านนาบีบอกว่าเป็นเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่คาสั่งจากไม่ชิวะยู จ่กล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วที่นี่ไม่เหมาะสำหรับการพักของกองทัพของเราเราต้องไปพักใกล้แหล่งน้ำศัตรูจะได้มาไม่มาสร้างความเดือดร้อนกับเราน บ, บีก็ฟังน บ, บีก็สั่ง ย, ย้ายสั่งย้ายมิกดาสนี่นะในกรณีอื่นที่จะปรึกษาท่านนยปรึกษานี่ไม่ปรึกษามิกดาสนี้ไม่พูไม่ไม่ไ ม, ไม่เอ่ยไม่เปิดปาก เพราะเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสงครามเรื่องสู้รบเรื่องบางด้านไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่พูดแต่ผู้นําที่มีความชอบแล้วแล้วก็ทําหน้าที่เรื่องชูร้อแล้วเรื่องนันถ้าเขาสั่งแล้วแล้วก็คําสั่งเขาเนี่มีความชอบในหมู่คณะแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะฟ้าฟื้นเขาแน่นอนโดยเด็ดขาดทําไมกิจการการงานของยาม า, าจะได้มีความต่อเนื่องมีความเรียบร้อย มีความสงบ ม, มีบาริกานั่นเป็นไปนไม่ได้ที่จะผินหลังให้ผ <c oughs> ินหลังให้ท่านนาบีถ้าจะอธิบายคํานี้ง่ายๆก็คือเป็นไ ป, นปนไม่ได้ที่ชาวมาดีนาผู้ศรัทธาในมาดีนาหรืออาหรับเร่ร่อนเนี่ยที่จะฝ่าฝืนท่านนาบีไม่ไม่เชื่อฟังเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ และไม่บางควรบอกแล้วว่าเออใช่ว่าไม่อนุญาตที่เขาเหล่านั้นน่ะผู้ศรัทธาในมดินนะและที่เป็นอาหรับชนบุชนบนเนี่ยที่จะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรัซูลว่าลายรับูบิอันฟุซิ ม, มันนัฟซีห่วงชีวิตถ้าฉันไปตะบุไปสงครามตะบุ ฉันจะตายไหมเนี่ยเรือฉันยังยิ้มอยู่มาดีหน้าดีกว่าห่วงชีวิตของตัวเองเอาแล้วก็นบีเขาออกไหมอ่ะเอ็ก็แล้วแล้วแต่นบีแล้วกันเนี่ยห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าชีวิตเอาแล้วก็ยอมให้ท่านนาบีออกไปไปเชิญหน้ากับอันตรายโดยที่เราไม่รู้สึกรู้สาไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความห่วงกับชีวิตของท่านนาบีเลยหรือสําหรับผู้ศรัทธาทำไม่ได้ ในขณะเดียวนะการเป็นห่วงต่อท่านนาบีสุลตานสลามอุลมาได้บอกว่าเป็นห่วงทั้งในชีวิตของท่านแล้วก็หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตในชีวิตของท่านอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามตะบูกนี่แหละที่สฮาบะส่วนมากเนี่ยไม่ยอมให้ท่านนาบีออกไปสู้รบโดยลำพังนบีเรียกสฮาบะ ทั้งในมนดีนาและชนบทและเมืองอื่นๆส่วนมากนี่ก็สนองคําเรียกของท่านนาบีสุลต่านลอฮะละอิอิสัลัมแล้วก็ออกไปสู้รบกับท่านนาบีโดยที่แสดงความเป็นห่วงต่อชีวิตของท่านนาบีไม่ยอมนี่ก็เรื่องนิสสาบะก็ได้ทําแบบนี้มาโดยตลอดนบีไปสงครามที่ไหนเนี่ยถ้ายามปกติในสงครามเนี่ยนิสาบะจะปกป้องท่านนาบีไม่ให้ใครเข้ามาแตะต้องท่านนาบี แตยามที่คับขันจริงๆวิกฤตจริงๆเนี่ยนบีน่ยจะเป็นผู้ที่ปกป้องสหายบ่าและสหาบ่าเนี่บางท่านเนี่ยสบอกว่าในยามสงครามที่มันคับขันจริงๆแล้วเราอ่อนแอรจริงๆเราจะมาอยู่เบื้องหลังท่านนาบีเพราะการสู้รบของท่านนาบีสามารถที่จะปกป้องเขาได้นี่คือความองค์อาจความกล้าหาญของท่านนาบีที่สหายยอมรับกันทุก ท่านบีนี่สูร้รบนี่นะท่ไม่มีใครจะกล้าหารมากกว่าท่านนบีถึงขนาดที่เราจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านอบีมีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามแต่ไม่ได้เกิดขึ้นนอัลฮอดยบีอานที่ยุติด้วยการทำข้อตกลงแต่ตอนที่ชาวโคนิเขาส่งคนมา ทำข้อตกลงกับท่านนบีคนที่ส่งมานี่ชสุฮัยลินนอัมรนี่เป็นเป็นผู้นาชาวกุเรชที่อุโสอายุมากกว่าท่านนบีอายุมากกว่าท่านนบีเขามามาจรจากัท่านเนี่ยพอเข้ามาเาก็มาทักทายท่านนบีพอป็นญาเกิสุฮัยลินนะอัมรชาวกุเรชทักทายท่านนบีซลลัลลอฮุาลฮิัลลัมวนนั้นี่อะบนี้เขามีอาดะ่ นีสัยประเพณีของเขาอะนะเวลาเขานั่งคุยกันเวลาสนิทสนิทกับใครอะน ะ, ะเขาจะจับเขาเขาจะจับเขาถ้าจับเขานี่ก็แสดงว่าเราเราสนิทกันนะเราเพื่อนกันนะเขาก็อยากจะแสดงอยากจะกำลังจรจากันอยู่กับท่านนาบีแล้วก็ท่านนาบีก็อายุน้อยกว่าเขาเขาก็เลยจับเขาท่านนาบีอบู บ, บักร์อาด่าของท่านเนบ ปัดมือเลยเขาบอกมือมือไปอไปอย่าได้แตะเข่าท่านนาบีโดยเด็ดขาดนะทะลึง่งมันไม่เหมือนตะกอนแล้วไงนบีไม่ได้เป็นลูกหลานของพวกคุณนบีเนี่ยเป็นคนที่ถูกขับไล่และนี่มาในฐานะที่เป็นเป็นผู้นําเป็นแม่ทัพนะอย่าเสีย ม, มารายาทนะอย่าทะลึ่งนะอย่าได้แตะเข่าท่านนาบีโดยเด็ดขาดนะ ยาว่าห่วงชีวิตของท่านนบีแม้กระทั่งเขาของท่านนบีสอฮาบัยังไม่ยอมไม่ใครมาแตะเลยะเพราะในหัจจ์ตุลวะดาเนียมุสลิมจากทั่วคาบสมุดรอาหรบก็ได้มาทําฮัจจ์ซึ่งตอนนั้นมุสลิมที่เขารับอิสลามตามเมืองตามชนบทเนี่ยส่วนมากนี่ที่รับิสามยังไม่เห็นท่านนบียังไม่รู้ว่าอามันนี่คือใคร ต้องไม่แบกใจเพราะเสื้อหมนูน้นไม่มีดิกตกเพราะเดี๋ยวนี้ใครเป็นใครก็ดังไปหมดใครเป็นใครไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ก็ <c oughs> ดังไปหมดเพราะอะไรคลิปเดียวนี้ดังไปหมดเป็นไอดอลไปซะเลนมีรู้รู้อั ม, มีมีน บ, บีชื่อม د, ุฮัมมัดแเป็นใครอ่ะไม่รู้เป็นใคร พอมาทำฮัจกับท่านนาบีเนี่ยคนก็จะดา ว, ว่าจะรู้ยังไงอ่ะใครใครเป็นนบีเนี่ยเพราะนาบีก็มีสาวกมีสาวบะที่อยู่รอบๆท่านนาบีแต่ถ้าใครเข้าใกล้ท่านนาบีเนี่ยไม่ต้องดาวมากหรอกรู้จะรู้เลยว่าใครเป็นนบีนบีไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนเอาผ้ามาปูให้มีคนกับสีวามีคนทัน รู้เลยใครเป็นนบีทําไมอัลฮาบานี่เขาเป็นเป็นวงท่านนบีสุลลัลละจนกระทั่งมีวลีมีคําเป็นคํายกย่องเวลาคุยกับท่านนบีเนี่ยเป็นคํายกย่องพูดกับท่านนบีพูดไปพูดมาก็มักจะมีคําเนี่ยซอฮาบากนี่จะใช้ฟิดาคเอบีว่าอุมมีระซุ ขอให้บิดาของฉันมารดาของฉันเนี่ยได้เสียชีวิตแทนท่านดาน้ฟีดกักหมายถึงว่าขอให้ท่านเนี่ยขอเทอิดเกียรติให้ท่านเนี่ยพ้นจากอันตรายแล้วก็เอาพ่อแม่ของฉันเนี่ยมาปกป้องที่จริงเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาชีวิตของเขาเนี่ยปกป้องพ่อแม่ด้วยซ้ำใช่ปะ่ะแต่นี่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วนะ เพที่สำคัญกว่าชีวิตของเขาในชีวิตของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฟีดากับอาวิโยห ม, มายด้วยว่าทั้งชีวิตของฉันและก็ชีวิตของพ่อแม่ฉันเนี่ยขอถวายปกป้องท่านโอรสุลอันนี้เป็นคําที่สวาบ้าลีพูดติดลิน้นว่าลายระบุบั أ ن ุซิมานัฟซิม่มีลักภูสัทธานี่ที่จะห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าชีวิตของท่านนลยทีทั้งในชีวิตของท่าน และหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตบรรดาแตบิอูินแล้วก็ซาลลัุซอละนบีไม่อยู่แล้วแต่เขาได้ให้เกียรติท่านนบีซาลลัลลอฮุซุลแลมโดยที่ท่านนบีไม่มีตัวตนอยู่กับเขาแต่ให้เกียรติแนวทางความรู้วจนะคําสั่งสอนของท่านนบีเสมือนท่านนบียังมีชีวิตอยู่อิมามม али กตอนที่รายงานห a ดี t h อิหม่ามมาลิกจะนั่งที่มัสยิดนบีรายงานหะดีสแมงป่องนี่เข้ามาขณะที่กำลังอ่านฮะดีสคนก็จะอ่านฮะดีสแล้วอิหม่ามมาลิกนี่เขาจะฟังก็าเจะอ่านหนังสือมัวเตาะซึ่งเป็นหนังสือหะดีสไงให้อิหม่ามมาลิกจะนั่งฟังแล้วขะที่ก็อ่านฮะดีสอิหม่ามเขอิหม่ามมาลิกนี่จะนั่งฟังช่วงที่เขาอ่านีามีอิหม่ามมาลิก ทุกครั้งที่จะออกมาสอนเรื่องหาดิษท่านก็จะต้องอาบน้าอย่างดีใส่นื้อห อ, อให้เกียรติหาดีษสงท่านนีแมงป่องเข้ามาเข้ามาเนี่ยติโตัในเสืแล้วก็ต่อยต่อยอตอยแล้ว ม, มาลิก น, น, นี่อ่นานาดีษเนี่ยอมาลีโดนแมงป่องเนี่ยโดนต่อยก็เป็นสิบรอบลแล้วท่านก็อดทน เพื่อเพื่อให้เกียรติแค่แค่ฟังฮาดีของท่านนบีไม่ยอมที่จะสั่งลูกศิษย์บอกเฮเล่าเาเลราวันี้ฉันโดนกัดหรือไม่สดุง้ช่วยช่วยช่ตเป็นเรานก็คงอย่างนั้นแหละอันนี้แค่ยกตัวอย่างสมัยซาลับเนี่ยเขาให้เกียรติท่านนบียไงถ้มีเรื่องที่เราจะต้องยกอุทาหรณ์เพราะมันเป็นบททดสอบ แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอัลก็จะทดลองประชาชิอิสลามในความรักที่เรามีต่อท่านนบีสุลต่านอเล็ศเพราะเะื่องนี้ท่านนบีได้ได้ออกมาเป็นคำเป็นคำสอนอยู่แล้วพวกเราจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักนบีมากกว่ารักตัวเองมากกว่ารักพ่อแม่ลูกหลานและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองถึงจะศรัทธา อมรินทร์นัลขับบอกท่านนาบีนบีผมขอพูดจริงขอพูดจริงว่าฉันยังรักตัวเองมากกว่าท่านนาบีเป็นอย่างเราเนี่คงไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดนะทําไมอ่ะเพราะเราไม่ใช่คนสักจริงเหมืนอนอมรแต่ออมรนทรความที่ท่านตรงไปตรงมามากเลยนบีครับตรงๆเลยนี่ผมยัง รักตัวเองมากกว่าท่านนบีนภีบอกว่าไม่ใช้ไม่ได้ความศรัทธามันจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะต้องรักฉันมากกว่ารักตัวเองท่าน้องมรดกันนิ่งไปสักพักหนึ่งเมื่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วฉันขอบอกท่านนบีว่าตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้ารักท่านเนี่ยมากกว่ารักตัวเองนบีก็เลยบอกว่าอ้ลอานยหัวมรตอนนี้แหละอิมานของท่านจะสมบูรณ์ แสดงว่าการที่เราจะสามารถที่จะจัดเตรียมความรักต่อท่านนบีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเชกเชีนที่อุมมันมีความสัจจริงกับท่านนบีถึงขนั้ที่สารภาพกับท่านนบีนบีครับผมยังรักตัวเองมากกว่าอุมมันข้ต้มนมีความสัจจริงเพียงพอที่จะปรับปรับนับสูของตัวเองเนี่ยให้รักกันนบี ให้รักท่านไหนมากกว่าตัวเองและสารภาก็บท่านอยู่ครับพระเจ้าได้ได้ถึงจุดนั้นแล้วที่จะรักท่านมากกว่ารักตัวเองและนบีก็เลยการันตีรับรองนี่นี่แหละจุดนี้แหละที่ท่านจะบรรลุความสมบูรณ์ของอ إ ي م านซึ่งเรื่องนี้เราไม่มีนี่ท่านนบีการันตีให้เราเรื่องขอตกลงและแน่นอน นบีการันตีเรื่องนี้เนี่ยกับซาไม่อีกคนด้วยนะที่ที่รักนบีมากกว่ามากกว่าเขาเนี่ยมากกว่าตัวเองแต่พฤติกรรมของซาบะสามารถบอกได้ว่าซาบะส่วนมากหรือทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้ว่าความรักที่เขามีต่อท่านนบีมากกว่าความรักที่เขามีต่อตัวเองต่อพ่อแม่ลูกหลานทรัพย์สินของ พอเราได้เห็นวิถีชีวิตของซาบะนี่เป็นเช่นนั้นจริงปกป้องท่านนบีเต็มที่แต่คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยเราจะพิสูจน์กับตัวเองได้ไงว่าเรารักนบีมากกว่าตัวเองอันนี้เป็นบททดสอบอัลลอฮ์จึงทําบททดสอบแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยให้พวกเราทุกคนเนี่ยเอามาพิสูจน์เอามาพิสูจน์ตัวเอง ว่าเราจะสามารถเปรียบเทียบตัวเราเหมือนยุคของท่านนบีสุลต่านแล้วก ah, ็สฮามะไหมทําได้ไหมนบีเนี่ยสําคัญชีวิตของเราสําคัญมากกว่าตัวเรามากกว่า mm hmm. พ่อแม่ามากกว่าลูกหลานม า, มากกว่าทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างมันจะกลายเป็นคําถามที่เราจะต้องหาคําตอบและความคําตอบเนี่ยมันจะต้องมีความสตจริงในตัวถึงแม้ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เราไม่อาจ จะมีโอกาสเหมือนสงครามตะบูกจะได้มาพิสูจน์ตัวเองว่าอ๋อเนยบีเรียใครไปสงครามแล้วก็เราก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท่านนาบีมันอาจจะยังไม่เกิดโอกาสแบบนี้แต่เราจะต้องมีความสัตย์จริงกับตัวเองว่าและถ้าเกิดเรื่องแบบนี้จริงเราจะเลือกใครซึ่งไม่จำเป็นนะที่จะต้องเกิดบททดสอบใหญ่หลวงแบบนี้ในชีวิตจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าฉันรัก นบีมากกว่าเราตัวเองไหมเราสามารถเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆมาพิสูจน์ตัวเองเอาเรื่องสุนทรนของท่านคำสั่งของท่านนบีนบีสั่งอะไรไว้เอาเรื่องวาจิบก่อนก็ได้ที่นบีสั่งจำเป็นต้องทําไม่ต้องยกตัวอย่างนะแล้วก็ถัดมาก็เอาเรื่องมีเป็นไปได้ไหมว่าคนลือกมาฝรดโนหรือักนบีมอันนี้ักนะ่นอนท เป็นส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขารักนบีละหมาดฟารุรดูแต่ไม่ละหมาดสุนนะเลยอันนี้รักนบีไหมขอคิดก่อนละหมาดฟารุรดูนะ่ะไม่ขาดเลยนะแต่สุนนะนี่ก็ไม่ขาดเหมือนกันก็คือไม่ละหมาดเลยคือไม่ขาดห ม, มาอิสติกละในการไม่ละหมาดสุนนะรักนบีไหมคนเนี้ยขอคิดก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเขารักเป็นไปได้ไหม ก็สิ่งที่ท่านนาบีทําอย่างสม่ําเสมอทําไม่แทบไม่ขาดเลยอ่ะไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็เรารูด้ด้วยสิ่งที่ท่านนาบีชอบอ่ะวิธีชีวิตของท่านนาบีเป็นยังไงเรื่องการกินเรื่องการแต่งกายเรื่องอะไรเดี๋นี้มันมีแฟชั่นแปลกแปเลือกสุ น, นัขนาบีเลือกอะไรที่มันท่มันเข้าท่า เช่นไว้เขาอย่างเงี้ยไว้ผมอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นน่ะกางเกงยีนฟิตฟใส่เสื้อฟิตฟิตเห็นกล้ามเนะเห็นกล้ามแล้วก็อะไรอ่ะสูบบุหรีไฟฟ้าไ อ, อ้แต่นี้มีนะมีมีอะไรแปลกแปกแบบเนี้กินเคฟซีอย่างเงี้ยวางถ้วยสตาร์บัคอย่างเงี้ย ฮะแล้วทำไมแล้วทำไมสุนานะนบีไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่บัคอดสตาบักเนี่ยสุนานะนบีเนี่ยเรื่องบาปนี่อย่าทำบาปรงมันมันกลายเป็นมีความเข้าใจแปลกๆนะั่นที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมก็นี่น ก, นนก็มีละบางคนเี่ยเขาสารภาพนะเขาสารภาพว่าเขาเนี่ยรักนบีมากแต่เขาไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างเหมือนท่านนาบี ทุกอย่างก็อย่าเอาอย่าอย่าเอาเข้าเป็นตัวอย่างเลยเช่นไตสันไมค์หรือมาลิกไตสันไตสันบะไมค์ไตสันเนี่ยเขาเขารับอิสลามอ่ะแต่ก่อนนี่รับอิสลามคือเขาติดคุกเรื่องเรื่องอะะเขาติดคุกคุกเรื่องไหนก็ไม่รู้ช่างเขาแล้วก็ ในคุกนี่ก็ไปรู้จักกับพี่น้องมุสลิมในคุกก็กระดาว่าเขาก็เออเขาก็เฮ้ยตอนอยู่ข้างนอกนี่เขาไม่มีใครมามาบอกอะไรเขาเลยเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าชีดสงบยิ่งในคุกนี่มันกังวลนนะ่ะทุกอย่างในคุกนี่มันมันชัวร์ในกังวลหมดเลยอนะ่ะแต่นี่เขาไวา้แล้วก็สงบเขาก็รับอิสลามในคุกแล้วพอออกมาก็ดังเลยสิ นักมวยไครสันนี่ใคยๆมุฮัมมัด阿里อะมุฮัมมัด阿里เลอเนี่ยไม่ธรรมดาใครที่ทันยุคมุฮัมมัด阿里เคลอเนี่ยผมก็ไม่ทันอ่ะนะแต่ใครที่ทันเนี่ยจะรู้เร็วโอกตก่อนรนู่นแบบไม่ธรรมดาออกมานี่ยคนก็ก็โอ้โหเนี่ยเขาก็ดังเลยนะรับอิสลามอะไรเงี้ยเขาก็ไอ้กี่กรับอิสลามนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะทิ้งทุกอย่างเลยเขาจะปลดอดีต เขาจะปรับปรุงทุกอย่างในชีวิตปรากฏว่าเขาไม่ไหวไงเขาเขาเคยแคร์รับอิสลามแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองอ่าปรับปรุงตัวเองแต่เรื่องอื่นก็ยังเขาก็ยังมีความโลภของนักมวยอยากได้มีตังค์ผู้ตกรุ่นนะ่ะเขารวยรวยหลักหลักร้อยล้านพันล้านน่ะแล้วก็เจ๊งอะ่ะเขาก็อยากรวยก็เลยนีล่าสุดเนี่ยก็ได้ยินว่า รับท้าที่จะที่จะต่ออีกทีนึ่งที่จะที่จะขึ้นเวทีมวยอีกทีหนึง่งซึ่งสำหรับคนที่รับอิสลามและเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไอ้กีฬานี้เนี่ยผู้สตนิมหากินกับมันไม่ได้หรอกกีฬาทุกกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราได้เสียหายกายใจเวลาทรัพย์สินเนี่ยไม่ควรที่จะหากินกับมัน ไม่ใช่ไม่ควรไม่ได้ไม่ได้หากินกับมันทำเป็นอาชีพหากินกับมันไม่ได้กีฬานีไว้ดูแลสุขภาพของตัวเองนีได้ไว้สร้างเป็นเรื่องสนับสนุนไอส้สนุกสนานชั่วคราวนี่พอได้แต่จะเอามาเป็นอาชีพเสียเวลาฝึกซ้อมวันเป็นสิบชั่วโมงนะแล้วกหากินกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ต้องบาดเจ็บต้อง ต้องเสียอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยมัไม่ใช่ไม่ อ, อนญญันเนี้อศาสนาไม่ อ, อนญญันเนี้อก็คงมีคนไปเตือนเขาเขาก็เลยบอกว่าก็อยากจะบอกพี่น้องเขาก็พยายามทําองค์รัชทำพัฒทุปีนะที่เราได้เห็นกันนะเขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองแต่เขาออกมาบอกว่าผมไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์นะผมก็ยังทําบาปอยู่นะก็ช่วยเตือนผมละกันแต่ผมไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกคนที่สมบูรณ์ นี่พอที่จะเข้าใจได้เพราะคนยังเพิ่งรับอิสลามใหม่และเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ที่กำลังจะท้าทายกับตัวเองและกับพิสูจน์กับตัวเองให้พ่อมันบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาห้าสิบแล้วมึองเขออนกับผมนิดหนึ่งอ่าคือถ้าอยู่ด้วยกันเขาจะเรียกผมบังอะห้าสิบยังไม่ถึงห้าสิบใช่ปะ่ะสี่สิบด้วยซ้ สี่สิบกว่าอะไรเงี้ย ม, มีข้อมูลว่ะ <_ d ata> เขาก็บอกว่าอย่า อ, อ, อ, อย่านอย่าอย่าเยอะกับผมเลยผมผมําบาผ ม, ผมเขาเขาเขาสารภาพาวิถีชีวิตเขาเนี่ยก็เหมือนคนอเมริกาทั่วๆไปแต่เขาเลิกละเรื่องเหล้ายาเสพติดอะไรนี่เลิกเลิกหมดแต่เรื่องอื่นนี่เขาบอกว่าบางไอ้บางอย่างเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกเขาก็ยังพยายามก็อย่าเยอะกับเขาเราไม่ได้พูดถึงประเด็นแบบนี้เพราะเขาก็ สารภาพว่าเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองแต่เราอยากจะพูดถึงทุกคนที่เขากำลังตบียะกำลังขัดเกลาตัวเองและท้าทายกับตัวเองและกลังพิสูจน์กับตัวเองในสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานให้เห็นว่า วันกียร์มาเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะดื่มบอ่อน้ำของท่านนบีจะพบกับท่านนบีแลเราขออุทิโอ้อนขอใอยฉันเข้าสวรรค์อยู่กับท่านนบีอนี้อะไรอะไรตัวนีอะไรที่เราที่เราสร้างมาตรฐานในชีวิตของเราเบางทีสร้างมาตรฐานสูงสูงมากเช่นนี่เป็นใครอะ่ะผมเป็นซุนนะแค่เป็นซุน น, น่านี่อันนี้ถือว่ามาตรฐานสูงสุดแล้วนะ พอเท่ากับฉันเป็นสุนนะแล้วกัคนอื่นน่ะไม่รู้สินี่เป็นใครผมนี่ซาลาฟีซาลาฟีนี่ก็คือยุคนาบีละซาฮับงันนี้ยิ่งยิ่งทับไปอีกนี่ทับไปอีกเพราเขาบอกว่านี่สุนนะนี่เยอะต้องมีหัวกระทิของสุนนะก็คือซาลาฟอันนี้ก็ทอบไปนี่มาตรานที่เราวางให้ตัวเอง แล้วก็เรียกตัวเองนี่เป็นอะไรเป็นสุนนะเป็นสลัฟแนวทางเราต้องยึดมั่นในแนวทางทังน้นน บ, บีแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเล็กๆไม่น้อยนี่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่นะไม่ต้องถึงสงครามตะบุกใครเกิดขึ้นเราจะได้พิสูจน์ว่าตัวเองว่าเราเหมือนซาฮาบานี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาเรื่องเล็กๆในชีวิตละมาสุนนะครับเพียงไว้เขาเหมือนน บ, บีหรือยังแต่งตัวยังไงแต่งตัวเหมือน แฟชั่นหรืพยายามดึงตัวเหมือนท่านนาบีนีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยดูด้สภาพจิตใจของตัวเองนี่พยายามพยายามอัญเชิญมารยาทของท่านนาบีนี่มาใช้ในชีวิตของเราหรือยังทุกอย่างทุกอย่างแต่มากีมุสลเิมเหมือนนบีเนียหมากีมุส ล, ล, ลิมนบีไม่เคยทิ้งหมากมุส ล, ล, ลิมแต่และเรื่องที่มันเป็นแนวทางของท่านนาบีจริงๆ มันเพียงพอที่จะพิสูจน์ให้ตัวเองแล้วก็สร้างความละอายกับตัวเองถ้าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามท่านนบีสุลต่านแ ล, ล้วให้เพิ่มคําเดียวนะเราจะได้ไม่ไม่เป็นผู้แอบอ้างนะเพิ่มคําเดียวเป็นอะไรหวังว่าหวังว่าฉันอยู่ในแนวทางนั้นคํานี้เนี่ยมันจะถอมตนมากและทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจาก ข้อตำหนิต่ง<ร>างๆแล้วนเป็นสุ น, นัขแล้วทำไมไม่ได้เป็นโแค่แค่เป็นผู้มีความหวังหวังว่าเป็นหวังว่าอยากจะเหมือนชาวสลับหวังหวังแต่ถ้าสถาปนาตัวเองแล้วต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบหลังจากนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงเรื่องการที่เราได้เสียสละ เพื่อท่านนบีสุลต่านลอสลตตัวอย่างมีอะไรบ้างเยอะนะเราอาจจะอธิบายไม่หมดจะเอาบางตัวอย่างดัลนทั้งนี้เนื่องทั้งนี้หมายถึงว่าที ALLY ่อ mm ัลลอฮได้ยกตัวอย่างสำหรับผู้ศรัทธาคือสหาะผู้ศรัทธาที่มาดีน่าและก็ชนบทที่เป็นไปไม่ได้ที่เขา จะผินหลังให้คำสั่งของท่านนบีคำเรียกของท่านนบีหรือจะห่วงชีวิตของเขานีมากกว่ามันเป็นไปนไม่ได้จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากความกระหายน้ำก็ดีเวลาโนสบุญความทุกข์ยากก็ดีอันนี้แปลกคาดเกินนิดหนึง่งโนซบคนนี้จะแปลว่าความอ่อนแอและเอียดมากกว่าคําวัวทุกข์ยากทุกอยาก่างนี้กว้างห จะ و ي ن ي ا م ن ا و مقصود في سبيل الله لا قام يهوه أي قدية في سبيل الله نهون تام الله نان จะ مايبرزب جا مايبرزب كفوقه ولا يطعون موضوع يغذ الكفار ولا ينالون من ل ن ي ل إلا كتبا لهم به أ ع م ل ساله لا م ا كفوقه ج ย่างไปณที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธาริ้วโกรธก็ตา่างและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีถูกจะารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาหมายถึงว่าความกระหายน้ำความอ่อนแอความความหิวโหยการที่เขาเหียบ พื้นที่ใดๆที่จะทําให้ศัตรูให้ผู้บริสุทธาเนี่ยได้กรูดแค้นเนี่ยเพราะไปสร้างความเสียหายให้กับคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามและท่านนบีหรือจะสร้างความเสียหายนิวอะไรนะลูนะมีนาดูในลันเนี่ยหมายถึงว่าจะทําให้ความเสียหายได้ประสบได้เกิดกับศัตรูเนี่ยเว้นดต่ a l จะจาลึกเป็นความดีห้าตัวอย่างที่ที่ ที่ในอายาในยกตัวอย่างหนึ่งในนั้นนะ่ะความกระหายอย่างที่บอกว่าสวามีออกไปสู้รบในสงครามตะบุช่วงหน้าร้อนกระหายน้ําน้ํามันน้อยสเสบียงอาหารก็น้อยอขอยู่ในสภาพที่กระหายน้ําหิวแล้วก็นอสบอ่อนแอนี่สามอย่างแต่เขาทำเพื่ออะไรทำ ทีสบา ล, ล่าในหนทางอัลลอฮ์ซึ่งทำในุนทางอัลลอฮ์ก็ไม่ต่างกับการที่เขาทำเพื่อท่านนาบีเองน ะ, ะสิ่งที่เขาได้เสียสละเนี่ยที่มันเป็นชีวิตชีวาของการทำงานศาสนาที่จะทำให้เขาได้ตื่นเต้นกับการเสียสละมันจะไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลย ในด้านความประเสริฐของซอฮาบะเนี่ยแต่หากว่าสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามธรรมดาธรรมดาสงครามที่ไม่อากาศดีสเบียง ก, ยก็เยอะออกไปสู้รบนี่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรขัดข้องน้ำ ก, ก็เยอะสเบียง ก, ยก็เยอะคงจะเป็นสงครามที่ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยแล้วจะไม่สร้าง ความพิเศษของซาบะที่ออกไปสู้รบกับท่านนาบีอย่างวิกฤตแบบนี้เถงผมบอกว่าตอนเริ่มตน้นวันนี้เนี่ยตอนพูดนะบว่าสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยทุกกิจกรรมที่เขาทาเพื่อโลกสุภาณวัฒน์และเพื่อศาสนาเนี่ยยิ่งมีอุปสรรคมากขึ้นเนี่ยยิ่งมีความลําบากมากขึ้นเนี่ยย่อมสําหรับผู้ศรัทธานะสร้างความตื่นเต้นและจะสร้างความประเสริฐกับเขาด้วย ประเสกับการงานของเามาเรียนตัซีเนี่ยพอดีมีคนขับรถเบนซ์มาไปนตัซีมานั่งน่มาเรียนรถก็ไม่ติดฝนก็ไม่ตกมาถึงนี่แล้วนี่ก็กเินตัซีมาีเรียนองแอรด้วยสบายกับอีกวันหนึ่งจะมาเรียนตับซี รถก็ม่มารถเมย์มก็ไม่มีก็้ายังไงเอา้าดูลองดูนั่งแท็กซี่ไหมดูพอนั่งแท็กซี่มาเนี่ยเข้าว่าไม่เข้าว่ามุณเข้ามืมดไมคุณเข้าไม่เข้าลองตรงนี้นี่ก็ยกตัวอย่างว่าอุปสตรคอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดอะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเข้ามาก็เดินมาก็มืดแล้วก็เอจอหมาหมาก็ไล่มาอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งบีนน้องมา ทิ้งรองเท้าของนอกมาอันนี้ฆ่าไปนู่นเถอะนี่แหละกูว่าแล้วเรียนทัฟซีนี่มันต้องมีอ <c oughs> ุปรสรรคไม่ใชพาะอุปรสรรคเรื่องฝนเรื่องเรื่องทุกเรื่องนี่และตอนที่เราใกล้จะตายหรือตายแล้วแล้วก็ไปอยู่ในกุโบรหรือฟื้นคืนชีพแล้ววันเกียมานี่จะอยู่ต่อหน้าพระพักร์อัลลอฮ์นี่รุ่นนะ่ะ งานต่างๆในโลกดุนยานี่ไอเรื่องสนุกสนานเรื่องที่เรามีความสุขมากเราจะไม่คิดเรื่องเนี้ไอของพวกนี้เนี่ยเราจะไม่มองจะไม่นึกเราจะนึกถึงงานที่วิเศษที่สุดก็คืองานที่มีอุปสรรคที่เราทุกยากมากที่สุดเนี่ยอยากจะมีสักอย่างนึงไม่เราจะได้ถวายนี่ไงเราพอมีผลงานไหมแต่ไอีที่แบบทําแบบสบายสบาย ใวันเกียรตินี่คนที่ไปทําฮัจร์หรืออุมงค์แบบสบายสบายกับคนที่ทําอุโมงค์แล้วก็เจอหรือฮแล้วก็เจออุปสรรคอะไรเนี่ยต่างคนก็ก็จะมีอะไรพิเศษที่จะเล่าบอกกับอัลลอฮฺสุบฮฺร์าะห์คนที่มีสิบบาทในครอบครองของเขาเนี่ยมีสิบบาทบริจาคไปห้บาทกับอีกคนหนึ่งมีอยู่พันล้านบริจาคไปหนึ่งล้านพราะว่าไอคนที่บริจาคล้าน จะมองคนที่บริจาค5บาทนี่อายหายในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาก็อาจจะอวดชาวบ้านโหบริจาคล้านหนึ่งอันนี้ยบาทแต่ในสายตาของเราเนี่ยเวลาจะวางบนตาชั่งเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วนะไอคนที่บริจาคล้านนี่คงอายล้านหนึ่งในพันล้านนี่ก็คือ ก, กี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุด่อร์นเนาะ แล้วก็ห้าบาทในสิบบาทนี่ก็คือห้าสิบเปอร์ซคนที่ตื่นที่สองดูบอลยูโรยูโรดูแลเนี่ยบอลนี่เมื่อชั่วโมงครึ่งนะอาจารย์พอดีเลยอีที่อาจารย์ตอนดูบอลเนี่ยโอ้เต็มที่แล้วนะครับตื่นที่สองยิ่งกว่าเกียร์มุ่นเลลิกดูบอลดูเปแต่ลืมละมาซูบอนเกียร์มุ่นเลลิกันบ้างนะ แต่วันเกียามากนี่เราจะรู้ไงไอ้ที่เราดูบอลเนี่ยเราไม่กล้าเอามาเสนอต่อตูฮันหรอกแต่เราจะมานั่งคิดไอ้คุละหมาดสุโบกี่วันวะละหมาดเกียมุลล่นไอ้ของพวกนี้นะของไอ้ขอ ง, อของที่ที่เราขี้เกียร์ทานี่แหละที่มันรู้สึกมันลำบากลำบากเราก็มานั่งคิดมาคำนึงไ ด, ได้ทําเยอะแค่ไหนเนะี่ยจะขอเสนอต่อหรอกไอ้ของพวกนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ ฟันตรงได้เลยเนี่ยชีวิตของเราทุกเรื่องที่เป็นคําสอนของศาสนาและเราไม่ชอบทำเนานนั้นอันเรื่องนั้นแหละที่วันเกียร ม, มาเราอยากจะได้มีเยอะที่สุดมากที่สุดและเรื่องที่เราได้ประเชิญกับอุปสรรคแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความสนุกกระมันอันนั้นนะ่ะที่จะมีผลระบุนมากมากกว่างานธรรมดาธรรมดางานศาสนาเมันกันน่ะนะไอ้บาดามือนกั น, นะนะาา น, กนแต่มันสบายสบายอะ ต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะคนที่ละหมาดในห้องแอร์กับคนที่ละหมาดในอากาศร้อนต่างกันแน่นอนผลบุญไม่เหมือนกันแน่นแน่นอนคนที่ละหมาดที่บ้านกับคนที่ละหมาดที่มัสยิดไม่เหมือนแน่นอนแน่นอนยิ่งมีอุปสรรคยิ่งมีผลบุญมากขึ้นครับขอฝากเพียงแค่นี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ในก็สนิฐานว่าอาทิตย์หน้านี่ไม่น่าจะไม่น่าจะทันนะอัลลอฮฺ แล้วถ้าเสร็จสุรตะว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีมีวันหยุด ช, ชดชดดีไหมเดี๋ยวจะอธิบายต่อ ช, ชดชดหยุดสักหยุดพักสักปีสองปีไหมเพราะเราเรียนกันมาหลายปีแล้วเนี่หยุดพักสักเดือนสองเดือนไม่ <c oughs> เดีเค่อยปรึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับมีคําถามไหม ใช่ครับอยาให้เช็คขีดได้เรื่องการเลือกผู้นําสมัยนดีละสาบานครับอาจารย์สมัยนบีละสาบานนี่มีบางหลักฐานพูดถึงการเลือกผู้นําสูงสุดเนี่ยที่มันมาจากรากญ้าคือรากญยานี่จะเลือกผู้นําท้องถิ่นและผู้นําผู้นําท้องถิ่นนี่ยก็จะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น ที่เป็นสภาชูรอมันก็จะมาเลือกตั้งนี่มันมีแตม่มาจากรากยาและเป็นการเลือกตั้งโดยธรรมชาตินสัมบุคอรีเนี่ยมีหลักฐานว่าท่านนาบีสุลัลลนละวะเลยลัมได้ยอมรับในระบบผู้นำท้องถิ่นตอนที่ท่านนาบีไปทำสงครามตออิฟแล้วก็ ชาวต อ, อิฟนี่ก็มาสู้รบกับท่านนบีมาประชนหากับท่านนบีทนทนบีชนะสงครามก็เลยเอาฉเฉลยสึกของเขาเนี่ยมาเป็นทาตและทรัพย์สินของเขาเนี่มาเป็นทรัพย์เฉลยหลังจากนั้นผู้นําของเมืองตอยฟนี่เขาก็มาขอร้องท่านนบีขอร้องท่านนบีให้คืนคือเขาไม่ได้คุยกับท่านนบีว่าจะคืนทรัพย์เฉลยแต่เขาขอให้ เชลยสึกเนี่ยได้ปลดปล่อยหมดซึ่งเชลยเนี่ยกลับไปแล้วก็น บ, บีแบ่งเป็นท่านละอยู่ตามบ้านของมุจายดีหมดแล้วเป็นทานหมดแล้วน บ, บีก็บอกว่าสําหรับข้าพเจา้านี่ข้าพเจ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบังคับคนอื่นท่านน บ, บีที่ท่านน บ, บีทาได้นี่ก็คือเชลยของท่านนา บ, บีเนี่ยจวยดียะท่านนา บ, บี ปลดปล่อยให้อิสระแล้วก็แต่งงานอันี้พอแต่งงานวยวยเรียแล้วเนี่ยคนที่มีทาตที่เป็นญาติพี่น้องของจวยเรียที่เป็นชาวตัอยฟเนี่ยเขาก็จะรู้สึกละอายใจว่าไอ้ฉันมีทาตที่เป็นหลานเขยเป็นญาติเขยของของท่านนาบีใช่ปะเออก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นญาติของวยวยเรียเนี่ย และนบีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษาผู้นาท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยอะบุครีท่านนีบอกว่าฝ่าบาทซอิลกุลเอารีฟินนบีส่งไปยังผู้นำท้องถิ่นแต่ละแต่ละทินแต่ละเผ่าเนี่ยที่ออกไปสู้รบกับท่านนบีเนี่ยผู้นําขาเรียกว่าอารีฟอารีฟนี่ถ้าจะเทียบเหมือนประจุบเหมือนผู้ใหญ่บ้านทำไมเ่าว่าอาลีฟนี่มาจากอารฟะารเบรู้จักอาีฟนี่จะรู้จักทุก นในหมู่บ้านเลยให้อารีบเนี่ยไปถามว่ายินยอมไหมสบายใจไหมฮาลันไหมที่จะเฉลยทั้งหมดเนี่ยคืนแล้วก็ปลดปล่อยซะเพราะนาบีอยากจะคืนดีกับเชาาต่ออิฟนีบีก็แต่งงานแต่งงานกับยวเยรีะนี่และนี่คือ ตัวอย่างให้เห็นว่าที่ท่านนาบีแต่งงานทั้งหมดนี่ท่านนาบีไม่ไม่ต้องการท่านนาบีแต่งการแต่งงานของท่านนาบีส่วนมากนี่เป็นการปรองดองกับเผ่าอาหรับทั้งหลายแต่งงานกับ้วยเรียจะได้เกิดความปรองดองแล้วก็คนจะได้ปลดปล่อยเชลยศึกแล้วก็ชาวตออิฟนี่จะได้มารับอิสลามด้วยความสมัครใจนี่แสดงถึงว่าเออมีเลือกตั้งนี่ระดับท้องถิ่น เลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะเลือกผู้ใหญ่ที่เป็นชูรอชูร์รนี่จะเลือกผู้นําสูงสุดซึ่งรูปแบบนี้มันก็ไม่ตายตัวนะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยก็บอกว่าในด้านเทคนิคและกลไกเนี่ยก็สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่เราต้องรักษาโครงสร้างของสังคมมุสลิมที่จะต้อง มีความสำคัญของผู้นำความสำคัญของชูรอความสำคัญของผู้รู้ไม่มีรูปแบบหรือโครงสร้างการเลือกตั้งที่ตายตัวสำหรับรัฐศาสตร์อิสลามแต่พอมีแนวทางที่สามารถเอามาประยุกใช้แต่ละยุคแต่ละสมัยได้เนี่คือข้อสรุปของรัฐศาสตร์อิสลามที่ถูกต้องที่สุดครับ ใบ้อะนี่มันเป็นแค่สํานวนเสตยาบันจะทำเป็นพิธีก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ขอให้แบบว่ามีเนื้อหาของใบ้อะนี่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ยินยอมแล้วในผู้นำนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการยอมรับในความเป็นผู้นำแต่ก่อนนู้นนะ่ะเป็นประเพณีว่าถ้ายอมรับแล้วเนี่ยก็ต้องจับมือใบ้อะตรงเสตยาบันถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยภระชาชนเจ็ดสิบล้านนี่จะบใบ้อะผู้นําหนุ่ อสลามกันจ็ดสิบล้านคนนี้ไม่ต้องกูไมต้งเป็นมุนเป็นอมาพาดแล้วเป็นไปไม่ได้บางอย่างนี่เราเนื่องสมัยนู้นก็เป็นไปได้พอเพราะแล้วพอพอคนแต่ยุคนี้พอเยอะแล้ว่นะก็ไม่ต้องสลามทุกคนเอาเอาผู้นําข่วงเข้านี่ก็ไปรับแบร์มาแล้วก็ไอ้ผู้นํานี่ก็มาแบร์ผู้นําสูงสุดมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงอะสมัยท่านนบีสามารถทุกคนนี่ต้องไปสลามท่านนบีนะ ต้องบายาาียร์ะก็ับมือท่านนาบีต้องบียร์ะจากตบ้านกับท่านนาบีแต่ตอนนั้นคนน้อยเนี่ยแต่เพราะอาณาจักอิสลามขยายมากขึ้นเนี่ยทําไม่ได้แล้วอลัลลอฮ์ทำไม่ไหวหรอกผมเห็น น, ะนั่นนะเนที่ประเทศซาอุดิอราระเบียเขาพยายามรักษาเรื่องจะรีบในเรื่องเบียร์ะเรื่องอะไรนเนี่ยพอกษัตริย์ขึ้นใหม่เนี่ยเอาเฉพาะหัวหนาาว้าเผ่าแล้วผู้นําท้องถิ่นเนี่ยที่เขาจะรับเบียร์ะจากชาวบ้านนะแล้วก็มา บัญญัติกษัตริย์ที่ซาอุดีเนี่ยเขาก็พยายามรักษาเรื่องนี้เนี่ยจนมากษัตริย์รุ่นหลังในพออายุมากแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกเขาก็ยกเลิกไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ต้องมามาบัญญัติมาสา ล, ามาลามมาอะไรนี่เรืดูอานี่นะไม่มีหลักฐานว่าดูอากาฟิรเนี่ยเราจะไม่รับไม่มีหลักฐานมีบางหลักฐาน สามารถยืนยันได้ว่าถ้าเราประสงค์จะรับดุอายนี่ก็จะรับเพราะเราได้พูถึงพูดถึงผู้บริสานีเขาจะวิงวอนต่อ l l a h ในยามิกฤต فإذا ركبوا في الفلج دعو الله พอเขาขึ้นบนเรือแล้วเนี่ยก็เจอขึ้นน้ำเจอเจอความตายแล้วเนี่ยด่าวเนี่ยเขาขอดุานียใครก็พวกก็เป็นองเนี่ยด้าว ullah هو ขออุบายต่อ a l ล a h م خ ل ص ي และ ดูอานุขับริสุดด้วย ف َาَริّ ا ن َ ج เนจ่าห م َม ف อ أ ัลลอฺَเนี่ยให้รอดแสดงว่าเราตอบรับด้วยไงพอขอด้วยอาโอ้เราขอให้เราอดไงพออดแล้ววะนะกลับทาชิริกเหมือนเดิมแสดงว่าถึงแม้ว่าเขาแต่ก็เราก็ตอบรับเหมือนกันแต่นี่ึ้นอยู่ที่ความประสงค์ของ a